พวกเราติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสนะเราก็เลยสะสมพอกผุนทรัพย์สมบัติอะไรเครื่องพลุงพลังต่างๆเยอะแยะไปหมดนะยันคารวานะเนี่ทำให้ถึงพระนาคาดียากยากมากเลยไม่เทศของคาวาะไม่ค่อยเหมาะแต่ขั้นโสดาสัตาถคานี่ทำได้อยู่แต่คารวะบรรลุพระอรหันต์ก็มีไม่ใช่ไม่มี ม, ม, มีหลายท่านด้วยนะแต่ก็นับตัวได้ ม, มีไม่มาก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 ยนียชาวพุทธที่แฝงป้ายว่าเป็นชาวพุทธส่วนใหญ่เชื่อแบบนี้เชื่อแบบมิจฉาทิฏฐิชนิดสัสตทิฏฐิส่วนอีกพวกหนึ่งนะส่วนใหญ่พวกนักฟิสิกคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีอยู่จริงตัวเรามีอยู่จริงๆรนะเราอะมีแต่ต่อไปตายแล้วเรานหายไปเลยเราศูนญพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุตเฉททิฏฐิพวกนี้พวกนี้หลงผิดไม่รู้จริงในอนาคต พวกไม่รู้จริงในอดีตกนะ็คือพวกอเหตุกกทิฏฐิสิ่งต่างๆไม่มีเหตุเกิดขึ้นมานะพวกหลงผิดมีหลายชนิดนะพวกอคริยะทิฏฐิไม่มีการกระทําพวกนัตติกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลยอย่างบางคนก็สอนกันนะโลกนี้ไม่มีอะไรเลยทําใจว่างๆศีล ส, สมาธิปัญญาไม่ต้องทำํำนะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็เนี่ยนะหลุดพ้นพวกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะ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 นันอะไรที่เสียเวลาตัดทิ้งไปขัดเกลาตัวเองนะลดละไปเรื่อยนะาไปทานข้าวทานแต่พอดีพอดีทานเยอะไม่ลดละ